ตีตานาคตวานป้าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอนดีตแต่ที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลจักขายัตนามูลกนัยหนึ่ง อ, อนุโลมปุชชจฉาจักขายัตนะของบุคคลใดไม่เคยเกิดโสตายัตนาของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะประชิมภวิกบุคคลและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปประภูมิและปรินิพาน จะขายัตนาของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่โสตายัตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จะขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและโสตายัตนะก็จะเกิดปฏิโลมปุชฉาโสตายัตนะของบุคคลใดจะเกิดจะขายัตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจตันาใช่อนุโลมปุชฌา จักขายัตนะของบุคคลใดเคยเกิดคานายัตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจาชณาปัจฉิมภวิกบุคคลและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่คานายัตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและจะและคานายัตนะก็จะเกิด ปฏิโดมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดจะเกิดจากขายตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจาชนาใช่อนุโดมปุจฉาจากขายตนะของบุคคลใดเคยเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจาชนาปัจฉิมภวิกรบุคคลและบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในอรูปประภูมิและปรินิพาน จะขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จะขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและรูปายตนาก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉารูปายตนาของบุคคลใดจะเกิดจกขายยตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาจะขายยตนะของบุคคลใดเคยเกิดมนายตนาละธรรมายตนะ ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลจะขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จะขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและธรรมายตนาก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาธรรม า, ายตนะของบุคคลใดจะเกิดจากขายยตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่จากขายยตนะมูลกไน คานายตนะมูลกไันึ่งร1อย 105. อนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดเคยเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนะปัจชิมภวิกรบุคคลและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติแนวรูปรภูมิแล้วปรินิพานคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ คานายตนะของบุคคลเหล่านั no. ้นเคยเกิดและรูปายตนะก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉารูปายตนาของบุคคลใดจะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจาชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดเคยเกิดมนายตนะและธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจารนาปัจฉิมภวิกบุคคลและ คานายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้คานายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและธรรมายตนะก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดจะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิตัชนาใช่106ออนุโลมปุจฉา รูปายตนะของบุคคลใดเคยเกิดมนายตนะและธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัิชนาปัจชิมภวิกรบุคคลรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและธรรมายตนะก็จะเกิดปฏิรมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดจะเกิด รูปายตนาของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่107อนุโลมปุจฉามานายตนะของบุคคลใดเคยเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัดชิมพวิการบุคคลมานายตนาของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้มานายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและธรรมายตนะก็จะเกิด ปฏิลมปุชชาธรรมายตนาของบุคคลใดจะเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจาชนาใช่อนุโลมโอกาสจักขายตนามูลกไนหนึ่งอนุโลมปุชชาจักขายตนะในภูมิใดไม่เคยเกิดละอนุโลมปุคโคลกาสจักขายตนามูลกไนหนึ่งอนุโลมปุชชา จะขายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดโสตายยตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิตัชนาปัจฉิมภวิกรบุคคลในปัญจโวการภูมิจะขายยตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่โสตายยตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิจะขายยตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น เคยเกิดและโสตายจตนะก็จะเกิดปฏิรมปุจฉาโสตายจตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยจะเกิดจกขายจตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาจะขายจตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดคานายจตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนา ปชิมพระวิกาบุคคลในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูป uh า, า, รคคว า, ราวจรภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและคานายตนะก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดละ วิจารนาใช่อนุโลมปุตราจะขายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดรูปายตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจารนาปัชิมพวิกรบุคคลในปัญจโวการภูมิจะขายยตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในปัญจโวการภูมิ จะขายยตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและรูปายตนาก็จะเกิดปฏิโลมปุชารูปายตนาของบุคคลใดในภูมิดจะเกิดจกขายยตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้บัติอยู่ในอสััญยสัตตภูมิรู ป, ปายตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จะขายยตนะไม่เคยเกิด บุคคลผู้บัตอยู่ในปัญจโวการภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจักขายตนะก็เคยเกิดอนุโรมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิทัศนาปัจชิมภาวิกาบุคคลผู้บัตอยู่ในปัญจโวการภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิด แต่มานายัตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัดอยู่ในปัญจโวการภูมิจะขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมานายัตนาก็าจะเกิดปฏิโรมปุชฌามานายัตนาของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจกขายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะ บุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปภูมิมานายัตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จะขายัตนะไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตรอยู่ในปัญจโวการาภูมิมานายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจะขายัตนะก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาจะขายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดธรรมายัตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหม วิจัดชนาปัจจิมภวิกรบุคคลในปัญจโวการภูมิจะขายัตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ธรรมายัตนาไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัดอยู่ในปัญจโวการภูมิจะขายัตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและธรรมายัตนาก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาธรรมายัตนาของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิด จะขายัตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิตัชชนาะบุคคลผู้บัดอยู่ในอนนสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิธรรมายัตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จะขายัตนาไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในปัญจโวการภูมิธรรมายัตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจะขายัตนาก็เคยเกิดจะขายัตนามูละกไนจบ คานายตนะมูลกักไนหนอยสิบอนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิตนะัชชาปัจฉิมภวิกาบุคคลในกามาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัดอยู่ในกามาวจรภูมิ คานายตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและรูปายตนาก็จะเกิดปฏิโดมปุจฉารูปายตนาของบุคคลใดในภูมิใดายจะเกิดคานายตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัรณาบุคคลผู้บัตยู่ในรูปาวจรภูมิรูปายตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คานายตนะไม่เคยเกิด บุคคลผู้บัตอยู่ในกา마วจรภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดละคานายตนะก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดมนายตนะละธรมายตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชณาปัจฉิมภวิกบุคคลในกา마วจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิด แต่ธรรมายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัตรอยู่ในกามาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและธรรมายตนะก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิทัชนาะ บุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คานายตนะไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตรอยู่ในกามาวจรภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานายตนะก็เคยเกิดคานายตนะมูลกนัยจบรูปายตนะมูลกายนิจหยสิบ อนุโลมปุชารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดมนายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจตนะันาปัดฉิมพวิกบุคคลในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มนายัตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัดอยู่ในปัญจโวการภูมิ รูปายตนาของบุคคลเหล่านั้นในปู่มนั้นเคยเกิดและมานายตนะก็จะเกิดปฏิโดมปุจฉามานายตนาของบุคคลใดในปุ่มใดจะเกิดรูปายตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจชะนาบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปปุ่มมานายตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่รูปายตนะไม่เคยเกิด บุคคลผู้บัตจอยู่ในปัญจโวการภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและรูปายตนะก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิตัชนาปัจิมภวิกบุคคลในปัญจโวการภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิด แต่ธรรมายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในปัญจโวการภูมิและอสัญญาสัตตภูมิรูปลายตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและธรรมายตนะก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดรูปลายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิตัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในอรูปภูมิ ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในปู่มนั้นจะเกิดแต่รูปลายตนะไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตรอยู่ในปัญจโวการปุ่มและอัศญยสัตตภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในปูมินั้นจะเกิดและรูปลายตนะก็เคยเกิ ด, ก ร, ร, ร, นนกดรูปลายต น, นะมูลกไยนจบมนายต น, นะมูลกไยนัยออนุโลมปุจฉา มานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจารณาปัจฉิมพวิกบุคคลมานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัดอยู่ในจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิมานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและธรรมายตนะก็จะเกิด ปฏิโลมบุจฉาทำมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจชนะนาบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่มนายตนะไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในจตุโกรภูมิและปัญจโการภูมิ ทำมายะตนะของบุคคลเหล่านั้นในปูมนั้นจะเกิดและมานายะตนะก็เคยเกิดมานายะตนะมูลกานัยจบปัจจนีกับบุคคลจกขายยะตนะมูลกไัยหนึ่อนุโลมปุชชจฉาจกขายยะตนะของบุคคลใดไม่เคยเกิดโสตายะตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมวิจาชนาะไม่มีปฏิโลมปุจฉา โสตายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจารนาเคยเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดไม่เคยเกิดคานายตนะละรูปายตนะละมนายตนะละธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดมีไหมวิจารนาไม่มีปฏิโลมปุจฉา ธัรมา ย, ต น, มากกาายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจกขายายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดหนึอนุโลมปุจฉ า, านาายตนาละ ร, รูปายตนลาละมนายตนะของบุคคลใดไม่เคยเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโรมปุจฉา ธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดมานายตนาของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดปัจจณีกะโอกาสจักขายตะะนะโมละกไนหน115อนุโลมปุจฉาจักขายตนะในภูมิใดไม่เคยเกิดละปัจจณีกะปุคโลกาสจักขายตนะมมลกะกไน 116อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นในภูม right. ินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตติชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิตติชนา ปัดจิมภวิกับุคคลในปัญจโวการภูมิโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จะขายตนะมิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในสุทธาวาสภูมิอสัญญาัตตภูมิและอรูปภูมิโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจะขายตนะก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุจฉา จักขายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดคานายัตนาของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัชช า, าใช่ปฏิโลมปุจฉาคานายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจักขายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิตัชช า, าปัจชิมภวิกาบุคคลในกามาวจรภูมิ และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรู ป, ปารวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จะขายตนะมิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิอัศญญาสัตตภูมิและอรู ป, ปภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจะขายตนะก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุจฉา จกขายยตนาของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดรูปายตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาัตตภูมิจกขายยตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่รูปายตนาไมิใช่จกไม่เกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในสุทาวาตภูมิและอรูปภูมิจกขายยตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิด และร history, ูปายตนะก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมิน so ั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัชิมภวิกบุคคลในปัญจโวการภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จักหายตนะไม่ใช่ไม่เคยเกิด บุคคลผู้บัตอยู่ในสุทาวาดภูมิและอรู ป, ปรภูมิรูปายตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจักขายตนาก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุชชจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดมานายาตนาของบุคคลนั้ น, นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจชนาบุคคลผู้บัตอยู่ในอรู ป, ปรภูมิ จะขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มนายัตนะไม่ใช่จะไม่เกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในสุทาวาตภูมิปัดฉิมพวิกรบุคคลในอรูปภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในสัญญสัตตภูมิจะขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มนายัตนะก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉามนายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิด จะขายาตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจาชนาะปัจฉิมภวิกรบุคคลในปัญจโวการภูมิมานายาตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จะขายาตนาไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในสุทาวาสภูมิปัดฉิมภวิกบุคคลแนวรูปภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญยาสัตตภูมิ มานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในปู่มนั้นไม่ใช่จะเกิดแลจักขายตนะก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในปูมิใดไม่เคยเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในปูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัตยู่ในอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในปู่มนั้นไม่เคยเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จกไม่เกิด บุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทาวาตภูมิและปัจฉิมภวิกรบุคคลในรูปภูมิจกขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและธรรม า, ายาตนะก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาธรรม า, ายาตนาของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจกขายาตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิทัชนาะ ฉิมพระวิกรบุคคลในปัญจโวการะภูมิธรรมายตนาของบุคคลเหล่านั้นในปูินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จะขายตนะมิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในสุทาวาดภูมิและปัฉิมพระวิกบุคคลในรูปประภูมิธรรมายตนาของบุคคลเหล่านั้นในปูนนั้นไม่ใช่จะเกิดและจะขายตนาก็ไม่เคยเกิดจกขายตนะมูลกไนจบคานายตนามูลกไน 1นึอนุโลมปุจฉารคานายาตนาของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดรูปายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตนะัชชาบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิคานายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่รูปายาตนะมิใช่จะไม่เกิด ปัจฉิมภรวิกรบุคคลในรู ป, ปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในอรู ป, ปภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและรูปายตนะก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจชะนา ปัดชิมพรวิกรบุคคลในกามาวจรภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่ไม่เคยเกิดปัจชิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปประภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและคานายตนะก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุจฉา คานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจตชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มานายตนะมิใช่จักไม่เกิดปัจฉิมภวิก บ, บุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิ แด้บุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมานายตนะก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโมมปุ ช, ชามานายตนะของบุคคลใดในภูมิดไม่ใช่จะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจารนาปัจชิมภวิกบุคคลในกามาวจรภูมิ มนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่คานายตนะมิใช่ไม่เคยเกิดปัจฉิมพวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในสัญญาสัตตภูมิมานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและคานายตนะก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด ธัรมายตนะของบุคคลนั้นในภูม right? ินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บาดอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จะไม่เกิดปัจฉิมภวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิด และธรรมายตะนะก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโรมปุจฉาธรรมายตะนะของบุคคลใดในปมิใดไม่ใช่จะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในปุ მ นั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะปัจิมภวิกบุคคลในการมาวจรภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในปมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่คานายตะนะไม่ใช่ไม่เคยเกิด ปัจฉิมพวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและคานายตนะก็ไม่เคยเกิดคานายตนามูลกนัจบรูปายตนามูลกนัยหนึ่งอนุโลมปุจฉารูปายตนาของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด มา น, านายัตนของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัรนาบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปประภูมิรูปายัตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มา น, านายัตนะมิใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในสุทาวาดภูมิและปัจฉิมพวิกรบุคคลแนวรูปประภูมิรูปายัตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมา น, านายัตนะก็ไม่ใช่จะเกิด ปฏิโลมปุจฉามานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดรูปลายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจชนะนาปัจจิมภวิกบุคคลในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญัตตภูมิมานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่รูปลายตนะไม่ใช่ไม่เคยเกิด บุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาตภูมิและปัจฉิมภวิกา บ, บุคคลในอรูปภูมิมนายตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดได้รูปายตนะก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุจฉารูปายตนาของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจารนาะบุคคลผู้บัติอยู่ในอรูปภูมิ รูปายตนาของบุคคลเหล่านั้นในปูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ธรรมายตนาไม่ใช่จกไม่เกิดบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทาวาตภูมิและปัดฉิมภรวิกรบุคคลในรูปปุ่มรูปายตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุชชาธรรมายตนาของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิด รูปายาตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชณนาะปัจฉิมภวิกบุคคลในปัญจโวการภูมิธรรมายาตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่รูปายาตนาไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในสุทาวาตภูมิและปัจฉิมพวิกบุคคลแนวรูปภูมิธรรมายาตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิด และรูปายตนะก็ไม่เคยเกิดรูปายตนะมูลกนันในจบมานายัตนะมูลกไนในหนอนุโลมปุจฉะมานายัตนะของบุคคลใดในปมิใดไม่เคยเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในปมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสัญญาสัตตภูมิมานายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในปุ მ นั้นไม่เคยเกิด แต่ธรรมายตนะไม่ใช่จกไม่เกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาสภูมิมานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดมานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิตชนาะปัจฉิมภวิกบุคคล ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่มานายตนะไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตยูย่ในสุทาวาตภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและมานายตนะก็ไม่เคยเกิดมานายตนะมูลกายนจบอุปปาทวานจบ